ครับเรานมัสการเนื่องใน น้า 70 ปีนะครับนั่น แต่อ่างเป็นแสนตัวเป็นแสนตัวนะอยู่แถวต้นประดูเนี่ย <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของความเป็น <c oughs> ตัวเองได้ชีวิตที่ไม่ 2 Timothy 3 ข. 9 บอกว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้แต่ อันนี้เอ่อเป็นการเอ่อพยากรณ์ทํานาย ร้ายมุสิธรรมไม่ให้อภัยกันมุทรุนะ นะแต่เมื่อมันรวมมันเข้า ละแรงออกเรื่อยกันเนี่ยเห็นแก่เงินเยอะ นะกี่มอเตอร์ไซค์ยิงกลางถนนเลยผิดตัว เราอยู่ในท่ามกลางคนที่คดโกงและ โลกนี้ก็เลยวุ่นวายแล้วก็ 2 4 3 เนี่ยนะครับได้กล่าวว่าบัดนี้ และสิ่งที่เกิดการ นะมุ่งม้าชิดบนเส้นทางความเชื่อ ท่านได้เรียนตั้งแต่เด็กมาแล้วว่าท่านได้รู้ ที่จะเอ่อมีชีวิตที่สามารถอด และการอบรมในทางธรรม โลกที่เต็มด้วยความเห็นแก่ตัว โดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าใน โดยทางพึ่งญาณมากสุดซึ่งพระเจ้าทรง ถ้าอ่านพังพีในพระธรรมโรมบทที่ 5 ข้อ 1 5, เพราะว่าเรามีความหวังใจด้วยความรักว่าเรามีความหวังใจด้วยความรัก 3 3 เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ก็มี 3 คำว่าเราเป็นคนชอบอภัยแล้วเนี่ยแปล นะแล้วบางคนเมื่อรับพระทาภัยทั่ว คนที่ได้รับการยกโทษการอภัยโทษคนที่ได้พ้นจากการพิพากษาโทษเนื่องจากความบาปแล้วอัน ก็ต้องหาทางออกว่าทําไงจะไม่ถูก เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นคนชอบ ตอทุกข์ได้ยากจะมีความลําบากมีจะ จุงลูกของเราเล็กๆแต่เราต้องเดินไปอะต้องเดินไปเด็กรับพัสมาเงี้ยนะแล้วเดิน เดินถามว่าเด็กกลัวไหมกลัวมั้ยมีสันติสุขมั้ยมีเพราะเขารู้ว่า คถาและฐานพระกรพระองค์เล้าลมข้าพระ ไอ้ 2 มีความชื่นชมดีเสมอชีวิต ไปตายที่บังคลาเทศแต่ขอมาฝังเมืองไทยพ่อเค้าจะมาเยี่ยมเกือบทุก โอ้แต่เค้า 70 กว่าโอ้โห ก็อาจโอเคคุณ oui, pues okay, 21 โอเคแล้วอาจจะแซวก็ <ila>, ก็นั่นคือส่วนหนึ่งที่อยากจะหนุนใจมองดูนะ เรารู้ว่าเราได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ นั่นคือสิ่งที่เป็นเป็น ตอนช่วงไหนที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับ จะถามมาทําไมพระเจ้าจะใช้ฉันเจ้า พระเจ้าไม่เคยใช้สติปัญญาของเรา นั่นพิธีวิสูตรการความอดทนคือต้องมี จะเป็นคนที่มีนิสัยดีเป็นแต่เป็นคนที่มีนิสัยดีที่มีนิสัยดีบอกว่าเป็นคน นั่นคือสิ่งสําคัญที่ว่าเราชื่นชมดีแม้ๆจะ และฐานที่เราเห็นเช่นนั้นทําให้เกิดมี ความหวังใจของคริสเตียนกับความหวังใจของคนอื่นมีความแตก ก็พยายามจะเป็นสิ่งนั้นแต่สําหรับคริสเตียนฉันจะเป็นอะไรผู้ <your> แล้วมันต้องผ่านไปได้เพราะพระเจ้าปรารถนาให้เรา ถามว่าทําไมคนนั้นเขาสามารถประสบความสําเร็จใน ก็ฝึกแบบตามมีตามเกิดอ่ะ เป็นผู้นําฝ่ายปัญญาก็ดูแลและสร้างเด็ก และความหวังใจใดตามแต่ที่เต็มล้นด้วยความ เพราะเรารู้ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นน้ําพระ เพราะเราว่าเป็นบุคคลที่มีนะเราจะมีสัมปชัญญะในการ ให้ร่วมใจถามด้วยกันอนุญาตสนับสนุน ขอบพระคุณอาเมน